คือเป็นภูที่สมควรเป็นภูที่สมควรตั้งต้นแต่ในทางปฏิบัติเพื่อที่เพื่อที่จะได้ตรัสรู้เมื่อก่อนจะ ต, ตรัสรู้ ก็อยู่ในฐานะที่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์และก็ได้ทรงเรียกพระองค์เองว่าโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้ตรัสรู้ได้ทรงปฏิบัติในมัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติที่เป็นหนทางกลางได้สมบูรณ์เป็นภูที่สมควรจะตรัสรู้จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่เป็นภูที่สมควรจะตรัสรู้ก็ไม่อาจจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้น จึงทรงเป็นภูที่สมควรเป็นภูที่มีคุณสมบัติมีคุณปฏิบัติอันสมควรอันสมบูรณ์อันเหมาะสมแก่ความที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นคํานี้จึงเป็นคําที่มีความหมายอันครอบงำถึงคุณลักษณะคุณสมบัติทุกประการที่สมบูรณ์ที่เหมาะสมอันรวมอยู่ในคำว่าสมควรและ เมื่อจัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก่ทรงประกอบเป็นพระพุทธคุณอันสมควรมีพระพุทธคุณว่าอารหังเป็นต้นดังที่มีความหมายได้กล่าวมาแล้วคือเป็นผูกไกลกิเลส เป็นภูกรรมจัดค่าศึกคือกิเลสเป็นภูหักก ร, รมแห่งสังสาระจักเพราะฉะนั้นกินเป็นภูที่สมควรตลอดจนถึงสมควร บูชาสักการะบูชานั่นก็คืออามิสมูชาบูชาด้วยอามิรมีกีบอนบินฑบาตเป็นต้นปฏิปฏิบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติ ตามที่ทรงสั่งสอนพระองค์เป็นภูที่สมควรบูชาด้วยเครื่องสการะวรมิตรทุกอย่างและสมควรบูชาด้วยการปฏิบัติตาม คำสั่งสอนพระองค์สมควรที่จะอภิวาตกราบไหวอันแสดงความเคารพทุกอย่างทุกประการ ก็เพราะเป็นภูที่มีความสมควรดังกล่าวมาข้างตน้นทรงมีพระคุณอันสมควรทรงมีความประพฤติที่เป็นประโยชน์ อันเรียกว่าอัตจาริยาความประพฤติประโยชน์อันสมควรคือทรงประพฤติประโยชน์แก่โลกโดยมีพระมหากรุณาทรงแสดงธรรมะสั่งสอนโปรดเวนายนิกรให้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ต่างๆ ทรงประพฤติประโยชน์ต่อพระญาติทรงประพฤติประโยชน์โดยฐานะเป็นพระพุทธเจ้าคือทรงสแสดงธรรมทรงบัญญัติพระวินยัยทรงประกอบกระทำประโยชน์ทุกอย่าง โดยฐานะเป็นพระพุทธเจา้าผู้พระบรมศาสตร์สดายเอกในโลกอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นความสมควรคือความบริบูรณ์แห่งพระคุณทั้งปวงดังกล่าวมานี้จึงทำให้ทรงเป็นผู้สมควรต่อ บูชาสักการะต่อการกราบไหวบูชาต่อความที่จะมีศรัทธาความเชื่อปัสสาธะความเลื่อมใสในพระองค์ทรงเป็นภูสมควรโดยทรงเป็นที่ตั้ง แห่งระทาปสษาธะอย่างแท้จริงอันนำให้ผู้ที่มาบูชาสักการะมากราบไหวแสดงความเคารพได้รับบุญกุศล ได้รับประโยชน์ต่างๆเพราะฉะนั้นจึงเป็นภูสมควรด้วยประการทั้งปวงไม่ใช่สมควรเฉพาะปัจจัยมีจีวอนเป็นต้นเท่านั้นแต่เป็นภูที่มีความสมควรทุกอย่าง ในทางดีในทางที่เป็นคุณประโยชน์ดังเช่นที่กล่าวมาอีกความหมายหนึ่งของพระพุทธคุณบทว่าอารหังนี้ก็คือผู้ไม่มีที่ลี้ลับ ที่ท่านแสดงไว้ยกเอาว่าผู้ไม่กระทำบาปในที่ลับซึ่งมีความหมายว่าไม่กระทำบาปทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับ ทางนี้ก็เพราะว่าได้ทรงละกิเลสเครื่องเสมองในจิตเป็นต้นว่าราคะโทสะโมหะหรือจะกล่าวอีกในหนึ่งว่า และอาวิชาตันหาความลิ้นรนทยานอยากอุปาทานความยึดถือซึ่งเป็นกิเลสได้หมดสิ้นทรงละได้จนถึงกิเลสที่เป็นอาสวะอนุสัยที่หมักห ม, มมนอนจม นองจิตสันดานจิตของพระองค์จึงเป็นจิตที่วิมุตต์หลุดพ้นแล้วจากกิเลส ท, ทั้งสิ้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นจิตที่ประพัดสอนคือเป็นจิตที่ผ่องใส เพราะฉะนั้นจึงไม่มีกิเลสเหลืออยู่ในจิตแม้แต่น้อยเมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นภูที่ไม่มีที่ลีลับที่จะซ่อนกิเลสเอาไว้ที่จะซ่อนบาป อากุศลทุจริตเอาไว้ทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจและทางใจนั้นก็ตลอดจนถึงในใจส่วนลึกที่สุดคือไม่มีที่ซ่อนอาสวะอนุุัยอยู่ทั้งหมด ต่างจากบุคคลทั่วไปที่ยังมีอาสวะอนุัยอยู่แม้ว่าจะปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาละกิเลสยังหยาบละกิเลสยังกลาง ได้แต่ว่ายังละอาสวะอนุสัยไม่ได้เพราะฉะนั้นในด้านของกายวาจาและใจที่เป็นส่วนตื่นส่วนที่ปรากฏก็บริสุทธิ์สะอาดแจ่มใสแต่ว่า ยังมีที่ลี้ลับคือยังมีอาสวะอนุสัยดองกิตสันดานอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่ายังมีที่ลี้ลับเก็ชื่อว่ายังกระทำบาปอยู่ในที่ลับเพราะว่ายังมีอาสวะอนุสัยอยู่ ที่รับที่หยาบกว่านั้นก็หมายเพียงว่ารับตาคนดังคนทั่วไปที่ไม่ทําบาปในที่แจ้งแต่ทําบาปในที่รับในที่แจ้งคือที่คนเห็นแต่ในที่รับก็ในที่คนอื่นไม่เห็นที่รับตาคนอื่น ดังนี้เป็นที่แจ้งและที่รับท่วทั่วไปแต่อันที่จริงนั้นแม้ว่าเป็นที่แจ้งที่รับอย่างหยาบดังนี้ตาคนอื่นไม่เห็นแต่ตาตนเองก็ยังเห็นหรือว่าตนเองก็รู้ตนเองอยู่ว่าทาชั่วถ้าทาชั่วเรานี้ ที่รับที่แจ้งที่ละเอียดไปกว่านั้นก็มีความหมายถึงที่รับอันละเอียดที่สุดก็คืออาสวะอนุสัยดังที่กล่าวมาเมื่อยังมีอาสวะอนุสัยอยู่ก็ยังมีที่รับอยู่และแม้ว่า จะกล่าวให้หยาบขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งคือในชั้นที่ปรากฏอยู่ในจิตใจแต่ไม่ละเมิดออกไปทางกายทางวาจาคือกายวาจานั้นไม่กระทําเชีนว่าเกิดราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะหรือตัณหาความดิ้นรนทยัญอยากอยู่ในใจ แต่ว่ากายวาจาไม่กระทำออกไปเช่นไม่มีโอกาสที่จะทำก็ตามยังมีศีล ร, รักษาอยู่มีคดีอตะประรักษาอยู่ก็ตามแต่ว่าใจนั่นยังมีดังนี้ก็คือว่ายังมีที่รับอยู่เหมือนกันคือว่ากระทำบาบไปไว้ในแม้ในที่รับ ก็เพราะว่าใจยังบาปอยู่ใจยังโลภยังโกรธยังหลงใจยังดิ้นรนขยานอยากอยู่ยังมีบาปอยู่ในใจนี่ว่าตามวิสัยของภูที่ยังมีกิเลสเมื่อยังมีกิเลสอยู่ก็ยังมีที่รับอยู่ดังนี้ เป็นที่ลับอย่างหยาบบ้างเป็นที่ลับอย่างละเอียดลงไปบ้างจนถึงกิเลส ท, ที่ไม่ปรากฏอยู่ในใจแต่ยังนอนจมดองกิตตสันดานก็เชื่อว่ายัางมีที่ลับซ่อนอยู่คืออาศวะอนุไยก็ น, นับว่าเป็นบาปเป็นอกุศลที่เป็นอย่างละเอียดดังนี้ ก็ชื่อว่ายังมีกิเลสแต่พระพุทธเจ้าได้ทรงละกิเลสได้หมดสิ้นดังที่กล่าวมาแล้วเป็นภูที่ไกลกิเลสแล้วเป็นภูที่หักขาดกำจัดขาดสึกคือกิเลสแล้วเป็นภูที่หักกรรมแห่งสังสรารวัชย์ได้แล้วเป็นภูที่สมควรแล้วเพราะฉะนั้น จึงทรงเป็นภูที่บริสุทธิ์บริบูรณ์บริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจสิ้นเชิงไม่มีที่ที่จะซ่อนกิเลสเอาไว้ซ่อนบาปอกุศลทุจริตเอาไว้เพราะละอาสวะอนุสัยได้ทั้งหมดแล้วจึงเป็นภูที่บริสุทธิ์บริบูรณ์จริงๆ ดังนี้แหละเป็นความหมายแห่งข้อว่าไม่มีที่ลับไม่กระทำบาปในที่ลับเพราะฉะนั้นจึงรวมความหมายแห่งพระพุทธคุณบทว่าอารหังนี้ว่าเป็นภูไกลกิเลสเป็นภูกาจัดข้าศึกคือกิเลส เป็นภูหักกรรมแห่งสังสารจัตรเป็นภูสมควรเช่นสมควรบูชาสักการะเป็นภูไม่มีที่ลับไม่กระทำบาปในที่ลับรวมความเข้าแล้วก็คือทรงเป็นภูที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจ ทั้งหมดต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสุดและตั้งใจทาความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้น ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์ร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะ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 ทีส่สัมมาสัมบุตโธนำสติปัฏฐานเพื่อให้สำเร็จเป็นพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธคุณบทนี้ เป็นพระพุทธคุณบทใหญ่คู่กับบทว่าอาระังหรืออาระขังและมักจะเรียกควบกันอยู่เสมอว่าพระอระหันต์สมมาสมพุทธเจ้า อรหันตะก็มาจากอารหังคำว่าอรหังนี้ก็มีความเป็นอย่างเดียวกันกับอรหันตะหรืออรหันต์แต่ว่าในทางพูด เรียกสำหรับพระพุทธเจ้าก็ใช้ว่าอารหังถ้าเป็นพระสาวกก็ใช้ว่าอารหันตะหรืออรหันเพื่อให้ต่างกัน แม้ในบทสวดภาษาบาลีแห่งพระพุทธคุณทั้งสองนี้เราทั้งหลายก็สวดว่าอารหังสมมาสมุโทโธแต่ว่าในเวลาพูดเป็นภาษาไทย ก็ไม่พูดกันว่าพระอระหังสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มักพูดกันว่าพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใครพูดกันอย่างนี้รู้สึกว่าเต็มปากเต็มคำและถนัด จึงนิยมพูดในภาษาไทยกันว่าพระอรหันตสมาสพุทธเจ้าแต่ว่าภาษาบาลีของท่านนั้นอรหังตสำหรับพระพุทธเจ้าอารหันตหรืออรหันตสำหรับพระสาวกแต่อัฏฐคือเนื้อความก็เป็นอย่างเดียวกัน จึงควรที่จะเข้าใจความหมายของพระพุทธคุณบทนี้ซึ่งประกอบด้วยคำว่าสัมมาสังและพุทธ สัมมานั้นแปลว่าโดยชอบสังแปลวาสามังคือเองบุท ธ, ธะกตรัสรูรวมกันเป็นสัมมาสัมบุ ธ, ธะ ที่แปลว่าภูตจักรุโดยชอบและเองหรือแปลว่าภูตจักรุเองโดยชอบก็ได้คำว่าโดยชอบนี้ มีความหมายถึงว่าความกรัสรู้ของพระสมรัมมาสัมพุทธเทจ้านั้นเป็นความกรัสรู้โดยชอบคือถูกต้อง และมีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นความจัดรู้โดยชอบที่มีพยานหรือผู้รับรอง ในความตรัสรู้นั้นว่าเป็นความตรัสรู้โดยชอบหรือถูกต้องความหมายประการแรกว่าโดยชอบหรือถูกต้อง ก็หมายถึงว่าความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นความถูกต้องที่อาจยกเอาสมมตะคือความเป็นสิ่งถูกต้อง หรือความเป็นสิ่งชอบซึ่งได้ตรัสแสดงไว้สิบประการคือมักมีองค์แปดอันได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ สัมมาสังกปะความดำริชอบทั้งสองนี้รวมเข้าเป็นปัญญาสัมมาวาจาเจนจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบ สามนี้รวมเข้าเป็นสีลสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบสามนี้รวมเข้าเป็นสมาธิหรือกิตติสิกขา ยังรวมเข้าเป็นศีลหรือศี ล, ลสิกขายังรวมเข้าเป็นปัญญาหรือปัญญาสิกขารวมเข้าเป็นศีลหรือศี ล, ลสิกขารวมเข้าเป็นสมาธิหรือจิตสิกขานี่เป็นแปดกับอีกสอง คือสัมมาญาณะสัมมาญาณความอย่างรู้ชอบสัมมาวิมุตติความพ้นชอบสัมมาญาณะความอย่างรู้ชอบนั้นก็อาจยกญาณสามขึ้นแสดงได้